สมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกแล้วก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักษสุอันบริสุทธเลื่องจักรสุทิพของมนุษย์ดยก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปเลวปราศจากควัน ลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัว อ, อันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวคือมักคาแปลว่าทางโดยถนนสายเดียวอ่ะแปลว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีหลุมฐานเพลิงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วมันไม่มีทางเบี่ยงด้วยขับตรงเลยถ้าเป็นขับรถอะนะดิ่งดุมไปนะดุมดุมดุ ม, ดม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 ดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแล้วว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นเละขึ้นสู่ทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกสมัยต่อมาเราได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็เข้าถึงซึ่งอบายทุคติวินิบาตนรกสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่พยาจักสุ อันบริสุทธิ์เรื่องจักสุก ข, ของมนุษย์เหมือนกับที่พระ อ, องค์บอกว่าเห็นว่าเออพระเทวทัตเนี่ยทำตัวอย่างนี้เนี่ยตกนรกแน่นอนเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ตอนหลังพระ อ, องค์ก็บอกว่าเทวทัตเนี่ยตกนรกแล้พระ อ, องค์ก็เล่าให้ฟังตลอดตั้งแต่พระเทวทัตถ้าปฏิบัติตัวแบบนี้นะทําตัวแบบนี้ตกนรกอย่างนี้อย่างนี้หรือพ่อของพระเทวทัตใครเคยฟังประวัติพ่อพระเทวทัตไหมอ่าพ่อพระเทวทัตเนี่ยชื่อว่าพระเจ้าสุ ป, ป, ปาพุทธนะพระ เจ้าสุ ป, ปาุู้ทนี้ก็เป็นพี่น้องกันกันกบพระนางสิริมหามายาเป็นพี่น้องแท้ๆกันเลยทีนี้ก็คือพระนางสิริมหามายาก็มีมีลูกเป็นเจ้าชายเศรษฐาใช่ไหมพระเจ้าสุ ป, ปาุู้ท่ก็มีลูกเหมือนกันลูกของพ ร, พระเจ้าสุ ป, ปาุู้ท่ก็คือคนที่หนึ่งนะเจ้าชายเทวทัตคนที่สองก็เจ้าหญิงยะโสธราพิมพา อันพ่อของพระเทวทัตก็คือพ่อตาของเจ้าชายเศรษฐานั่นแหละก็คือญาติญาติกันนั่นแหละวนๆอยู่แถวนั้นน่ะอ่าทีนี้พระเจ้าสุปปะพุทธาเนี่ยโกรธเจ้าเจ้าชายเศรษฐะเรียกโกรธพระพุทธเจ้ามานานแล้วแม่เอาลูกเราไปแต่งด้วยก็ปล่อยลูกเราให้เป็นม่ายไปบวชทศกิจเลโกรธนะนี้ก็ผูกใจไว้อย่างหนึ่งนะแล้วยังไม่พอทําให้พระเทวทัตลูกชายเราตกนรกธรณีสูปอีก ทีนี้วันหนึ่งหาเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเลยก็ก็ไปกว่าหนึ่งเขารู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามาบินทบาทสายนี้ถนนสายนี้แน่นอนตั้งวงสุรากลางถนนเลย mm. นั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินบินทบาทผ่านทางนี้ไปได้ตั้งวงเหล้าเลยนะกินเหล้าชอมอยู่ตรงนั้นนะ่ะโกรธลูกเขยทีนี้พระพุทธเจ้าก็พอมองเห็นป๊าพระองค์ก็แย้มพระโอดนิดนึงนะพระนรนก็ถามว่าทําไมพระองค์จึงแย้มบอกว่า อีกเจ็ดวันน่ะพระเจ้าสุปปพุทธจะถูกธรณีสุบอะไรเพราะที่มาขวางทางบิณฑบาตพระพุทธเจ้าครั้งนี้ยมีโทษมากมายมหาศาลพระเจ้าสุปปพุทธะก็บอกว่าอยาก้าเรื่องพระสมณะโคโด ม, มานาแล้วนะแม้วันนี้อ่ะช่วงนี้เราได้โอกาสยังไงอีกเจ็วันนี้เราจะไม่ให้ธรณีสุบได้เลยก็เลยวางแผนเบ็ดเสร็จหมดทีนี้เขาก็มีบ้านปราสาทอยู่เจดชั้นใช่ไหมตึกเจ็ดชั้นอ่ะ วันที่เจ็ดปุ๊บขึ้นไปอยู่บนปราสาทเลยนะกวางแผนแล้วก็ให้ยามเนี่ยไอตัวล่ำล่ำเลยนะบึกบึกไปยืนเฝ้าประตูทั้งเจ็ดชั้นเลยแต่ยังไงก็บีบอย่าให้ลงให้ได้นะทีนี้อ่ใกล้ๆปราสาทนั้นก็มีม้าพยศอยู่ตัวหนึ่งมันก็พยศมากอะ่ะม้าตัวนั้นอะ่ะเจ้าสุปปาพุทธาก็เห็นม้าพยศเขาเนี่ยสามารถที่จะกำหลับไอ้ม้าตัวนี้อยู่คนเดียวเรากรวนกระวายใจมากเลยจนก็เปลว่ากรรมมันให้ช่องพอดีเลยนะ ก็จะเปิดประตูมาไอ้พวกนั้นแทนที่จะกันเอาไว้นะช่วยกันผลักๆๆักักักลักล ก, ล ก, ลก็ตกไปถึงบินแผ่นดินก็ธรณีก็แยกเรียบร้อยนั้นก็บอกว่าทางไปนรกเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นว่าใน น, น้นตกนรกจริงๆพระองค์ก็เหมือนกับคนตาดีเนี่ยสามารถทำนายได้ขนาดนั้นดูการสารีบุทเราย่อมกำหนดบางคนในโลกนี้ด้วยใจว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดาเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้นจะเข้าถึงกําเนิดเดรฉานเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกโดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงซึ่งกําเนิดเดรฉานสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยที่พยาจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุ ข, ของมนุษย์โดยก่อนสาหริบเปรียบเหมือนหลุมคูณนะหลุมบูจาณ์านะลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูณ ลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจกักรสุเห็นเขาแล้วเพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจกักรสุนั้นพึงเห็นเขาตกไปในหลุมคูดนั้น สเสมยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแล้วว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและ ข, ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงกาเนิดเดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งกาเนิดเดรัจฉาน สเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยที่พยะจักรสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักรสุ ข, ของมนุษย์ น, นะพระองค์เคยทํานายพราหมณ์คนหนึ่งนะว่าแกเนี่ยพราหมณ์คนนี้เนี่ยตายแล้วจะไปเกิดเป็นเป็นลูกหลานของฮนุมานนะใครรู้ไหมประวัติใครเกิดเป็นลิงอ่ะวัสการาพรามนะวัสการาพรามเนี่ยแกไปด่าพระมหากัจยนะเข้าว่าพระรูปนี้เหมือนลิงเพี้ยเลยมันกันก็ไปตําหนิพระ อารหารันทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกนะนะถ้าหากว่าวัศการพรามณขอโทษพระมหากจรยนะ์มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดเป็นลิงหรอกแต่วัศการพรามณเนี่ยด้วยมานะนะเพราะแกเป็นมหาอมาตอย่างใหญ่เลยนะแกก็สั่งก็บอกเกิดเป็นลิงที่ไหนที่เขาขี้จิกูดปุ๊บสั่งให้คนไปปลูกกล้วยไว้เลยเชื่อนะว่ า, าตัวเองเกิดเป็นลิงจริงๆคําพูดของพระพุทธเจ้าคําไหนเป็นคํานั้นแหละก็เชื่อนะไม่ปฏิเสธไม่คัดท่านด้วย สั่งให้คนไปปลูกลิงไว่เลยตอนหลังก็ลิงวสการพามไปปลูกกล้วยสินะไม่ปลูกลิงอะ่ะไม่รู้ว่าไปปล่อยลิงอื่นๆไว้ก่อนหรือเปล่ า, าจะได้มีพวกนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพองค์รู้นะว่าทางนี้ใครจะไปเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยพระองค์รู้หมด <c oughs> ต่อไปนะว่าพราพรามณ์คนเนี้นะเป็นผู้ที่ไป ไปเป็นไปยุ่ยแย่ที่แคว้นเป็นสาลีคนเดียวคนเดียวกันเป็นอํามาดของแคว้นมคธอ่ะอ๋อเป็นคนดังอยู่เนี่ยครันก็เป็นคนดังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนใหญ่คนโตหลังจากที่วสการพราหมณเนี่ยวางแผนให้เมืองไพรสาลีพินาตอะ่ะตอนนั้นก็ยิ่งกําเริบหนะักเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคนใหญ่คนโตพระเจ้าชาติศัตรูก็เกรงใจอ่นะเพราะฉะนั้นทําอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็ พรขอโทษไม่ได้เลยอะยิ่งไปขอโทษพระมหากัจรยนะซึ่งตอนหลังท่านที่ทานให้พุ่งพุย้ยคือขิ้เหร่ที่สุดอ่ะคือตอนแรกเลยพระมหากัจรยนะเป็นพระที่ที่งามมากเลยจนถึงโสระย ะ, ะบุตรเศรษฐีคนหนึ่งก็บอกอู้ทารามีแม่ภรรยาเราน่าจะงามขนาดนี้หรือว่าคนงามขนาดนี้น่าจะได้เป็นภรรยาเราไงคิดไม่ดีอย่างงั้นก็เลยเป็นผู้หญิงเลยนั่นแะ ท่านตอนหลังท่านก็เห็นโทษของรูปร่างกายท่านก็อธิษฐานตัวของท่านให้ไม่งามทีนี้มันก็ดูอึดอาดตุ้กต้ามไม่งามใช่ไหมพรสการะพราม์ก็ได้ช่องหเหมือนลิงเปี้ยเลย <c oughs> ก็ไปตํำหนินะวาจาที่มีโทษเนี่ยแปว่าร้ายพระอริยะดูกอนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนี้ดําเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจกเข้าถึงเปรติวิสัยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยสเสวอทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่พยาจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุ ข, ของมนุษย์ดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่ที่ไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่เบาบ า, บาง มีเงาอันโปร่งลําดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นนัแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาแลว้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและ ข, ขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมา บุุรผู้มีจักสูนั้นเพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดนะคือต้นไม้ไม่มีใบใช่ไหมแดดกล้าเนี่ยโหไปไปอยู่ใต้ต้นไม้มันก็ร้อนเลยนะดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแลวว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดาเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงเปติวิสัย โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกแล้วเข้าถึงซึ่งเปรติวิสัยสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่พยาจักสุอันบริสุทธิ์เลื่องจักสุของมนุษย์ก็ได้ยินนะประวัติญาตพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมที่ที่พากันทําลายของสงด้วยกินของสงด้วยทําลายของสงด้วยแล้วก็ตกนรกอยู่หลายกลับด้ยวยกันนั่นแหละตกนรกโอ้หลายกลับมาก แล้วก็ในกลับนี้ก็ได้เกิดเป็นเปรตตอนหลังก็มาเป็นเรียกว่าเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารนะในเปรตแต่วะถั่วกล่าวถึงประวัติญาติของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็มีประวัติเปรต อ, อีกหลายท่านอย่างเปรตแม่ของพระสารีบุตรถอยหลังเมื่อ5ชาติก่อนอ น, นะเมื่อเมื่อหลายชาติก่อนนั้นพระสารีบุตรมีแม่ใช่ไหมแม่ในชาตินั้นก็เกิดเป็นเปรตตอนหลังก็มาขอส่วนบุญของท่านดูการสารีบุตร เราย่อมกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากอุบัติในหมู่มนุษย์จะมาเกิดเป็นคนแบบนั้นโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่พยะจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์ดูก่อนสารีบุตร เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่มีเงาอันหนาทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั่นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเดินอย่างนั้นและ ข, ขึ้นสู่หนทางนี้จักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียว โดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจากโสนั้นเพิงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลนั้นเราย่อมกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกัน แ, แลอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและ ข, ขึ้นสูงหนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากอุบัติในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอุบัติในหมู่มนุษย์สเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่พยาจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจักสูขของมนุษย์นะพระองค์เนี่ยมองเห็นแล้วละ่ะที่กรรมที่เราทําในอดีตจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้นั่นแหละแล้วพระองค์ก็มองเห็นด้วยนะว่ากรรมที่เราทําในชาตินี้จะเป็นไปไหนต่อแต่นี้เรามองไม่เห็นไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าไว้ว่าต่อไปต่อไปนี่จะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ทีนี้ เราศึกษาพระธรรมมาขนาดนี้เนี่ยพอจะเป็นเทพพยากรณ์ได้ไหมว่าพบหน้าเป็นไปที่ไหนใช่ไหมเราก็เอาธรรมะมาตรวจสอบดีใช่ไหมมนุษยธรรมทรรมที่เป็นไปเพื่อเกิดเป็นมนุษย์มีสิบอย่างกายกรรมสามมจีกรรมสี่มนโนกรรมสามพอไหมที่จะเกิดเป็นมนุษย์นะเอา้าถ้าเป็นเทพอะิริโอตปะถ้าเป็นพรหมก็พรห ม, มิหารเป็นต้นมั่นหนานแน่นขนาดไหน ถ้าพรมมิหารไม่ได้ชาญไม่ได้นะก็เหลือมนุษย์กับเทวดาและอบายสี่ทีนี้มันทำมาพอๆกันก็ศึกึกชิงดำน ะ, ะนี่ชิงดำชิงเขาเขาบอกว่าจิตเตออสังกิลเลสเถสุขติปาติกังขาบุคคลถ้าใจผ่องใสสุขติหวังได้ใกล้ๆจะจุตินั้นนะ่ะเกิดนึกถึงกุศลขึ้นได้ไปดีก็ได้นะเพราะไปดีแน่นอนเพราะจิตผ่องใส แต่ถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองใกล้จะตายในอังคุตระนิกายเล่มที่ผู้การมาโชว์เมื่อกี้เนี่ยเล่มสี่สิบห้านะในเล่มนั้นแหละกล่าวถึงว่าถ้าจิตเศร้าหมองทุกคติหวังได้อันนี้กล่าวถึงบุคคลผู้ทํากรรมทั้งสองอย่างควบคู่กันไปทําทั้งกรรมดํากรรมขาวทําทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบา ป, ปะสมปนเปไปทําบุญไปด้วยด่าพระไปด้วยลักษณะเนี่ยนะะนะบุญก็ทําพระก็ด่าเงี้ยลักษณะเนี้ยถามว่าอันไหนจะให้ผล ก็บอกว่าแล้วแต่จิตใกล้าตายจิตชนิดไหนเวลาใกล้าตายนั่นแหละพบหน้าเขาจะเป็นไปตามจิตตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกคิดดีๆไว้นะฝึกคิดมีเมตตาไว้เยอะๆ เ, เอ้จะคุยกับคนอื่นอย่างนี้ยเอ๊จะคุยด้วยเมตตาเป็นเมตตาไว้จีกรรมยังไงหน้ากับคนนี้ดีใช่ไหมฝึกเจริญกุศลบ่อยๆนั่นหละพระไตรปิดกนั้นเนี่ย แล้วก็เพรัะในเรื่องปฏิปทาที่จะทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็รู้แล้วนะว่ามนุษยธรรมเป็นต้นนั่นเองแต่ถ้าหากว่าไปสู่สุขติโลกสวรรค์น่าสนใจนะดูก่อนสารีบรเราย่อมกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นะถ้าสุขติโลกสวรรค์สุขติก็คือมนุษย์ ถ้าโลกสวรรค์ก็คือเทวดาค่าาถาอีกในหนึ่งนะเอาไว้ตรวจสอบว่า เ, เราจะไปสวรรค์ไหมก็คือเอาเทวตานุสติมาเจริญก็ได้เทวดานี่เป็นผู้ที่มีศรัทธาเราก็มีศรัทธาเทวดามีศีลเราก็มีศีลเทวดามีสุตาเราก็มีสุตเสตเทวดามีจาระเราก็มีจาคะเทวดามีปัญญาเราก็มีปัญญาสงสัยสุตสตะครับก็ จนชาติอื่นเน่เขาก็เกิดในสุกติภูมิได้แล้วเขาจะมีสุตตะอะไรบ้างครับคือไอ้ น, นั่นมันแบบไม่แน่นอนงอ่ะสมมุติว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติพระธรรมนั้นอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะไปสวรรค์ได้นั่นแะชาติอื่นศาสนาอื่นไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสไปสวรรค์ก็มีแต่ถ้าถามว่าแน่นอนไหมล่ะมันก็ไม่มีความแน่นอนใช่ไหมส่วนหนึ่งเนี่ยในชีวิตของเขาถ้าคนที่หนาแ น, น่นไปด้วยทิฏฐิเลย จริงๆเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่ามีคติสองแต่บางคนเนี่ยก็นอกศาสนาแต่เขาทำดีทำชั่วคละเคล้ากันไปคนเหล่านี้ก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าใกล้จะจุติของเขานั่นแหละใกล้จะตายจากมนุษย์ภูมิเนี่ยเขาจะไปไหนก็แล้วแต่สภาพจิตใกล้ตายทีนี้ถ้าหากว่าเป็นพวกเราเนี่ยก็คือในฐานะที่ศึกษาพระธรรมคำสอนอันเราศึกษาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเลยใช่หม เรื่องเดียวกับเรื่องพบภูมิเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะศึกษาพระธรรมแล้วคานรลคาสวรรค์หรือเปล่าไม่ใช่นะถ้าไม่มีความมั่นคงในเรื่องบุญเรื่องบาปจริงจเรื่องอริยศาสตร์เนี่ยแทบเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ารู้อริยศาสตร์เพื่ออะไรก็เพื่อพ้นจากคติทั้ง5้าเหล่านี้นี่แหละนั่นแหละการศึกษาเรื่องอริยศาสตร์เพื่อตัดวตะสงสารตัดการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เพราะในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมและผลของกรรมเราต้องชัดเจนที่สุด และกรรมพวกนั้นคืออย่าลืมนะถ้าพูดถึงคําว่ากรรมก็ต้องเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ใช่ว่าโหคนเนี่ยทากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมากๆเออเห็นท่านพูดเรื่องกรรมไว้เยอะๆดีนะโยมเอามาบริจาคสักพันหนึ่งเผื่อที่ว่าจะพ้นจากพวกกรรมเหล่านี้ถามว่าทําได้ไหมอาตมาก็ยังไปไปตามกรรมของอาตมาเลยนั่นแหละคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละเพื่อน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมนั้นเป็นทิฏฐิเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาเป็นกรรมมสัสกตาสัมาทิฏฐิเพราะว่าสัพันธ์การที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมะเลยนะวิชาที่สองอวิชาแรกที่พระองค์ตรัสรูร้คือระลึกชาติได้ก็เกี่ยวกับกรรมมสัสกาตานั่นแหละแต่เป็นกรรมมสัสกตาที่มาจากอภิญญาคือระลึกชาติได้วิปัสสนาญาณ ว, วิชาที่สองที่พระองค์ตรัสรุปก็กรรมสกตาตรงๆเลยเขาเรียกว่ากรรมูปฆะา ย, านนะยานนะยานยานที่รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายนี่ยานหนึ่งเรียกกรรมมูปฆะายานยานที่เขารู้ในการเข้าถึงสัตว์ทั้งหลายนีย่เป็นไปตามกรรมคำนวณ น, นะกรรมมูปฆะายานแล้วก็ทางที่ไปสุคติโลกสวรรค์เราสามารถตรวจเช็คบ่อยๆนะหนึ่งเรามีศรัทธาไหมา มีศีลไม้มีสุตตะมีจาค่าไม้ถ้าเรามีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เราก็คิดว่าเ อ, อน่าจะชัวแล้วเพราะเทวดาที่เขาเป็นเทวดาเพราะเขามีคุณธรรมเหล่านี้เราก็มีคุณธรรมนี้เราจึงไม่ต่างจากเขานั่นแหละอันไม่ใช่เจริญเทวตานุสติมันนั่งอ้อนวอนนะโอ้ยพิณเจ้ากูเจ้าเขาเขียวมาช่วยลูกช้างมางเน้ออย่างเงี้ยแต่อย่างางี้ไม่ใช่เทวตานะอันนี้อ้อนวอนเทวดานะ แต่ไม่ได้ละลึกนึกถึงคูณของเทวดาแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำความดีระดับหนึ่งก็สามารถเจริญเทวตานุสติด้วยการระลึกนึกถึงคูณของเทวดาในลักษณะนี้ได้หรือผู้การบอกผมเนี่ยจาคานุสติแน่นอนอย่างเงี้ยทางนี้ก็เอาจากานุสติก็ได้จากานุสติมากๆก็ไปดีเหมือนกันน ะ, ะนรกเนี่ยบางทีก็อยู่ใต้ดินจริงๆน ะ, ะจากข้อความใน ในพระสูตรสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงแม่น้ําตโปธาแม่น้ําตะโปธาเนี่ยมีมีความร้อนอยู่ด้วยเป็นน้ําร้อนนะนะเป็นน้าพุน้าร้อนเนี่ ย, นะนนรนนยพระองค์เล่าว่าไอ้แม่น้ําอันนั้นเนี่ยไหลผ่านตะโปธานรกมานั่นแหละเพราะนรกส่วนหนึ่งก็อยู่ใต้ดินด้วยนั่นแหละแต่ถามว่าไอ้ธรณีสูบเนี่ยนะสมมติว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบร่างกายแบบนั้นใช่ไหมที่ถูกไฟในรกเผา ไม่ใช่พะถูกสู่ปั๊บก็จุติเลยพอจุติปั๊บปฏิสนธิที่นรกมีร่างกายที่ถูกพระเทวทัศน์นั้นไปอยู่ห้องพิเศษนะมีความพิเศษห้องพิเศษเขาก็คือเป็นอยู่เป็นห้องห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมซึ่งไฟเนี่ยพุ่งมาจากทิศ ท, ทั้งหกเลยนะข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างพุ่งมาจากทิศ ท, ทั้งหกแล้วก็ตัวใหญ่มากแล้วก็มีเหล็กเท่าต้นตาเนี่ยเสียบเหมือนกับเคยเห็นประดกเสียบไหมอย่างนั้นแหละ สุกเสียบตึงขยับไม่ได้แล้วก็ไฟเรียบพุ่งตลอดอยู่อย่างนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งกับกวางนันตลอดกับตลอดกลับก็คือหมายถึงมหากลับเนี่ยนะผาออกเป็นแ80ดสิบส่วนนั่นแหละอยู่ส่วนหนึ่งส่วนไม่รู้กี่พันปีก็ไม่รูร้ว่าให้ตรวจสอบกายกรรมตรวจสอบวจีกรรมแล้วก็ตรวจสอบมโนกรรมเมื่อตรวจสอบปั๊บนะผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยรู้ทันทีเลยว่า สิ่งที่กำลังทำคำที่กำลังพูดจิตที่กำลังคิดเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าอากุศลล่วงกรรมบดไหมถ้าอากุศลที่จะให้ผลนำเกิดได้อกุศลนั้นต้องเป็นกรรมที่ล่วงกรรมบดถามว่าล่วงกรรมบดไหมถ้ายังไม่ร่วงก็ไม่ให้ผลนำเกิดแต่มันสามารถไปเป็นอุปถรรมภกะกรรมหรือว่าไปถ้ากรรมอื่นให้ผลไอ้ตัวนี้เข้าไปสนับสนุนได้ อันถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องกรรมเราก็สามารถประเมินได้ในในชีวิตในกายกรรมวจีกรรมในสิ่งท ouais ี่เราทําคําที่เราพูดแต่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความรู้เรื่องกรรมดีพอสมควรนั่นแหละอันเรื่องกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดซึ่งเราก็ค่อยๆศึกษาไปที่จริงอย่างนี้ก็คือศึกษาเรื Real ่องกรรมค่อยคยรับค่อยๆศึกษาไปแล้วประวัติข้อความในพระสูตรต่างๆนี้จะช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องกรรมชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นว่าเออ พุทธพจน์บทนี้ทําให้เราเข้าใจในเรื่องกรรมแบบนั้นในขณะเดียวกันนั้นเราต้องฝึกในชีวิตประจําวันด้วยว่าจิตชาติวิบากที่เกิดขึ้นทางตาเนี่ยอะไรบ้างใช่ไหมชาติวิบากทางหูชาติวิบากทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วจิตที่เรานึกคิดอยู่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจิตล่วงกรรมไหมเราเนี่ยก็ศึกษาเรื่องกรรมโดยเอาเรื่องกรรมมาบทเป็นต้นเนี่ยมาสงเคราะห์มาจับมาไข่ครวนแล้วก็ศึกษาความเป็นไปของชีวิต ศึกษาพระธรรมก็คือศึกษาเรื่องของชีวิตนั่นเองถ้าหากว่าเรามองชีวิตในเรื่องของกรรมได้ละเอียดขนาดไหนปึ๊บเราจะเอาเฉพาะช่วงบางช่วงมาเป็นข้อมูลในการอบรมเรื่องตริญญาต่อไปอพอเราศึกษาเรื่องกรรมตลอดสายแล้วมันจะมีจุดที่เราประทับใจไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยประทับใจเรื่องทวารหกบางคนประทับใจเรื่องอารมณ์6บางคนประทับใจเรื่องวิญญาณ6บางคนผัสสะ6บางคนเวทนา6 บางคนเจตนาหกบางคนวิตกหกฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะทําปริญญาในเรื่องนั้นๆต่อไปได้แต่ก็พื้นฐานก็มาจากเรื่องกรรมเป็นอย่างดีความเป็นไปของชีวิตที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็ให้ศึกษาพระธรรมให้จิตนั้นเป็นไปกับกุศลให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็หาเหตุหาปัจจัยที่จะทําให้จิตเป็นกุศลถ้าอบรมกุศลอย่างนี้บ่อยๆถ้าหาว่าเวลาใกล้จะตายก็สามารถที่ จะน้อมนึกเป็นกุศลได้แต่ขนาดนี้ไม่เป็นกุศลเลยแม่อรหังนะแม่นะอย่างเงี้ยโอ้อรหังคือใครก็ไม่รู้มันได้แต่คำไปนั่นแหละแต่ถ้าเราสามารถอบรมขนาดนี้บ่อยๆไม่ต้องมีใครมาเตือนเราด้วยเพราะเราเป็นคนไปเองอะใช่หคติก็คือเราอะเป็นคนไปไม่ต้องให้คนเตือนก็ได้ถ้าเรามั่นใจพอใช่ไมไม่ต้องมีใครชวนหรอกเพราะยังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้ว